เป่เราต้องการสงบเนี่ยเราทำจิตของเราทำสติทำสัมปชัญญะของเรากำหนดสติสัมปชัญญะของเราให้อยู่กับความรู้สึกที่เรากำหนดบริกรรมนี่แหละเช่นอย่างเราเรากำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโท น, นี่ให้เราจับความรู้สึกเราตลอดพอมันหายใจเข้าไป เราคํามดว่าพุทะมันจะมีความรู้สึกมา ก, กับคําว่าพุทธทีนี่เราเราไม่ปล่อยเอาความรู้สึกพุทกับโทนี้มาต่อกันเลยหายใจเข้าไปพุทธเราก็ค่อยดูค่อยดูหายใจออกมาแลวก็โทเลยเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยไว้แค่พุทธดำรงความรู้สึกไว้เพื่อที่จะต่อโทออกมา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 แล้วมันก็ปล่อยมามันก็ง่ายโทออกม า, าพยายามจับความรู้สึกหายใจเข้าไปพุททางความรู้สึกไม่ปล่อยพอมันหายใจออกมาอีกล้วก็โทพุทโทพุทโทไม่ปล่อยความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้เนี่ยจะเด่นจะชัดต่อเมือ่อสติเรากาหนดเข้ามาชัดเข้ามาชัดเข้ามาชัดเข้ามาจับความรู้สึก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 แล้วเข้าไปพุทไม่ปล่อยความรู้สึกโทออกมาแล้วไม่ปล่อยความรู้สึกที่โทษคอยดูพุทเข้าไปอีกไม่ปล่อยความรู้สึกเข้าไปก็ไม่ปล่อยความรู้สึกประกอบไปด้วยดําริว่าพุทธออกมาก็ไม่ปล่อยความรู้สึกอัมเดียวออกมาว่าโทไม่ปล่อยแค่โธนะจับต่อเนื่ไปอีกคอยดูมันจะพุทเข้าไปอีก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 เหมือนกับว่าเราส่องไฟสองไฟดูตลอดเข้าไปเราก็ส่องไฟตามเข้าไปออกมาเราก็ส่องไฟออกมาเนี่ยมันเลยสว่างตลอดทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกสักหน่อยหนึงจิตก็ได้รับความสงบได้รับความสุขมันอิ่มมันอิ่มที่หน้าอกเนี่ยอิ่มมันปีติมันอิ่มไเร็วเหมือนกับลมของเรานี่มันอิ่มเต็มตื้นมาตื้นมาเหมือนกับมันไม่หายใจ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 ไม่ว่าเข้าไปไม่ว่าออกมาไม่ว่าเข้าไปไม่ว่าออกมาเนี่ยคือความรู้สึกกำบมัตลอดถ้าเราอยู่ในท่าเทีย น, นี้เราก็สว่างโร่ำอยู่กับการหายใจเข้าการหายใจออกทีนี้เผื่อถ้าเผื่อเราจะเปลี่ยนมันได้รบความสงบกระดุกดิกขึ้นมาเราก็ต้องการจะพิจารณาเราก็มากำหนดการกำหนดในเชนี้คือเราตั้งสัญญาของเรากำหนดไปที่กายเนี่ย กำหนดไปดูธาตุดินไปดูธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟในใกายของเรากําหนดไล่กลับไปกําหนดไล่กลับมาเนี่ยกำหนดธาตุดินกนําหนดธาตุดินเราไม่รู้จักกําหนดอะไรแล้วก็มากําหนดดูไอตัวแข็งแข็งนีแหละเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอันนี้เป็นธาตุดินทั้งหมดเนาะ<ม>เป็นธาตุดินได้ยังไงเมืม่อมันเป็นผม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 อาการทั้งสี่เนี่ยแข็งหนังแข็งไหมหนังไม่แข็งหนังไม่แข็งแต่ถ้าหนังแห้งๆเนี่ยเราเอามาขยี้เนี่ยมันกลายเป็นของแข็งกลายเป็นธาตุดินหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกแข็งไหมกระดูกแข็งนี่คือธาตุดินธาตุดินมีสิ่งที่มีลักษณะแข่นแข็งเป็นก้อนเป็นแท่งนี่คือลักษณะของธาตุดิน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 เราพิจารณาพยายาไปทำไปทําไปทำไ ป, ำไ ป, ำไปจนมันเพิ่มเพิ่มไปปรากฏชัดเจนขึ้นมาภายในใจแต่ต้องไม่หลับต้องไม่เป็นหลับมีสติมีสัมผัจัญญากํากับอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งเหล่านั้นก็ลอยชัดเจนขึ้นมาเป็นดินที่แรกเราก็ไล่เข้าไปซะ ก, ก่อนถ้าเผืมันไม่มีอาการใดปรากฏชัดมาอย่างนี้เราก็ไล่จะพกท่าดิน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 หรือน้ําที่ใช้มาแล้วมันก็สามารถซึมไปแล้วก็ไปอยู่ในกระบอกสวาเนี่ยน้ำปัสสาวะคือน้ําน้ำโมดูดน้ํามูดก็คือน้ําส่วนเสียในร่างกายของเรานำไมันไปอยู่ในน้ำโมดูดจากนั้นแล้วมันพอเกินปริ ม, มาณมันก็ขับออกมาเราก็ไปปัสสาวะออกไปปัสสาวะออกมันเป็นน้ําที่เกินเข้ามาถ้าเราฉันน้ํามากๆอ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 นั่นต้องแต่ น, น้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งที่เป็นเหลีล้ยวๆสิ่งที่เออบาบซึมซาบในร่างกายเนี่ยเป็นธาตุน้ําเราดูไปดูไปที่ก้อนกายของเราเนี่ยก้อนกายของเรามันประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดูน้ําก็ให้ดูสัตว์ในว่าน้ำนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรเข้าไปอยู่ในนั้นน้ําก็น้ําจริงๆไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นถ้ามีเราเข้าไปอยู่ในนั้น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 มันก็ไปขับไปย่อยไปไปเลี้ยงส่วนนั้นไปเลี้ยงส่วนนั้นส่วนที่เป็นน้ําก็เลี้ยงส่วนที่เป็นน้ําส่วนที่เป็นบินก็ไปเลี้ยงส่วนที่เป็นดิมอาตุบินธ า, านน้ําดูร่างกายของเราใ ห, ให้เห็นเป็นสภาวะธรรมคําว่าสภาวะธรรมก็คือมันเข้าไปแล้วมันทํางานตามระบบระเบียบของมันอยู่ภายใต้อํานาจของธรรมอยู่ภายใต้อํานาจของก grands. รรมร่างกายของเราได้มาด้วยอํานาจของธรรม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 แต่ร่างกายมันก็ทําหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เ้าเรียก ว, ว่าสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นมีขึ้นเตินขึ้นด้วยอํานาจของธรรมตามภาวะความมีของมันความเป็นของมันเราจะบังคับไม่ให้มันหายใจออกก็ไม่ได้ลองกลัน้นลมหายใจสัหน่อยมันกลั้นไม่ได้เพราะมันขาดลมมันก็ทําให้เราได้รับทุกขเวทนาถ้าปิด จะโมปิดปากปิดอะไรจริงๆไม่ให้ไม่ให้หายใจเลยมันก็ขดัดขาดลมมันก็ตายได้ม่ตายได้เหมือนกันแต่ถ้าเรากลั้นเฉยๆเนี่ยพอถึงคราวเต็มที่ของมันมันก็จะดันออกมามันก็จะเป่า อ, ออกมาของมันอีกตามภาวะของธรรมชาติโอกาสที่คนจะกลั้นลมหายใจตายหรือยากยากมากเพราะมันถึงขีดถึงที่มันก็ต้องดันออกมาได้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 พลอยอยู่ได้ถ้าเผื่อธาตุลมยังอยู่แต่ธาตุลมหยุดเมื่อไหร่หัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่หยุดหายใจเมื่อไหร่เนี่ยหัวใจก็จะพล อ, อยตัดขาดจากกระแสเลือดที่ดูดเข้าดูดออกเนี่ยคือมันหมดสภาพข้างมันนั่นแหละหมดสภาพข้างมันมันก็จะดับไปด้วยกันเมื่อธาตุลมดับแม้แต่ระบบระเบียบของร่างกายมันก็อาจจะทําหน้าที่อยู่ หนึ่งนาทีสองนาทีอย่างเราไปจับที่ปจอของผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยที่ไปจอยยังเต้นอยู่อีกห้านาทีคนที่หมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยีไปจอยยังเต้นอีกอย่างน้อยห้านาทีที่ปจรที่ข้อมือยัอยงเต้นอยู่เนื่องจากระบบระเบียบของร่างกายมันยังไม่ดับเสียทีเดียวแต่มันก็จะค่อยๆอ่อนแรงก่อนแรงก่อนแรงก่อนแรงล้วก็ดับสองนาทีสามนาทีที่ไปจรดับ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 ผลผลของใจก็คือผลิตผลของกิเลสกิเลสไอตัวที่คอยยึดถือว่าเป็นเป็นกายเราเป็นกายของของเราเนี่ยคือตัวกิเลสตัวนี้แหละมันเพล่เพลิมันจะค่อยๆแทรกเข้ามาว่าตัวตนของเรา เ, เรากำลังพิจารณากายแล้วก็ไม่ลืมกําหนดจดจ่อไปที่จิตเราจะเห็นว่าตัวที่เป็นเจ้าของมันเนี่ยมันตามมามันแอบตามมา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 ดูไปไอตัวสาเหตุที่ทำให้เกิดความคิดว่าเราเจ็บเราวปวดนะย้อนเข้าไปให้ใหละเอียดให้เห็นเหตุเห็นปัใจจัยที่จิตตัวนี้ละเอียดมากพยายามดูให้เห็นดูให้เข้าใจนี่คือการทำงานคือเป็นร่องรอยเป็นช่องทางเป็นวิถีทางที่จะทำให้เราทำงานเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นการมัดมือชอกเลยเอาเวทนามามัด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 สักหน่อยหนึ่งได้ไเผชิญหน้ากันจังๆเนี่โอ้มันหดหัวหายไปยุปยบย่อไปเลยเนี่ยมันสว่างสวายมันก็ยุยบย่อหายไปหมดอะ่ะนี่คือการต่อสู้ในภายในการต่อสู้เข้าไปที่ตัวที่เป็นศัตรูที่เป็นข้าศึ่งอยู่ในภายในเราไปหาช่องอื่นวิธีอื่นหายอย่างอื่นทําไม่พบไม่เดินแต่ถ้าเราหมุนมาตรงนี้พบเลยเจอเลยคือกําหนดดูกองทุกพลพิจารณาดูร่างกา ย, นยในขณะที่เรากําหนด พิจรารณาดูาเราไม่จออยู่กับที่เดียวเพราะเราก็หนดจอเวลาเราพิจรารณาไปอาการทั้งสามสิบสองเนี่ยเวลาจิตมันไปค้างไปตกค้างอยู่กับอะไรก็ตามให้มันเด่นมันชัดเราจะจออยู่กับอันเดียวก็ได้แต่ถ้าจออยู่กับอันเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันจะพลิกมันจะฟื้นอ่าตัวความอยากมันจะแทรกเข้ามาได้ง่ายแล้วก็พลิก้าไปเรื่อยดูผมแล้วก็ดูขน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 จิตมันก็เป็นส่วนของจิตอยู่แล้วแต่อาศัยว่าจิตมันมีอุ ป, ปาทานเนี่ยมันก็มายึดกายซะโดยเหตุที่จิตมันมีอุ ป, ปาทานมันก็มายึดเวทนาซะเราดูให้เห็นศักดิ์ทว่ากายให้เห็นใเห็นศักดิ์ว่าเวทนาสักดิ์ทว่าจิตสักดิ์ทว่าจิตเราดูยังไงเราก็ย้อนไปที่จิตเรย้อนที่จิตเราก็เห็นสักดิ์ทว่าจิต ย้อนมาที่เวทนาเราก็สักคำว่าเวทนานี่คือการทํางานในภายในทําเรื่อยๆทําบ่อยครั้งเข้าเราก็จะเข้าใจเราก็จะชํานิชนานาญเข้าไปเรื่อยหัดนั่งต่อสู้เวทนาไม่ได้รับความสงบ ก, การต่อสู้เวทนานี้มันเป็นเหตุทําให้เราได้กําลังอย่างรวดเร็วภายในหัวใจของในในในในเราได้รถได้ชาติในการนั่งในการต่อสู้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 หายใจเข้าพุทธหายใจออกโท re. ไม่ปล่อยความรู้สึกพุทธเข้าไปแล้วไม่ปล่อยคอยตามโทออกมาโทออกมาแล้วไม่ปล่อยคอยตามคอยตามพุทธเข้าไปพุทธเข้าไปแล้วไม่ปล่อยคอยตามโทออกมาพุทธโทพุทธโ ท, โ ท, โทวนอยู่อย่างนี้แหละกำหนดอยู่อย่างนี้ทำความรู้สึกตลอดไม่เปลี่ยนความรู้สึกจิตว่งเราจะได้รับความสงบอย่างรวดเร็วอาศัยลมดีพุทโท <algum S 1> ด้วยและอาศัยลมด้วยลมเข้าไป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 ในขณะที่เราเอาจิตมาพิจารณาตับกายนั้นมันก็เป็นการเอากายมารู้มากำหนดเกิดเราว่าเป็นธาตุดินเพื่อไม่ให้จิตมันหลงถ้าเราไม่พิจารณาว่าเป็นดินเมันก็หลงหลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นเราลองเราดูดินเฉยๆล้วก็กายเราเต็มตัวทั้งหมดนั่นแหละถ้าเราไม่กําหนดย้อนไปดูอย่างนั้นออืกําหนดพิจารณาใเห็นว่าเป็นดิน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 น้ำก็เช่นเดียวกันดูให้เห็นสักว่าเป็นสภาพเออบาบอะไรก็เท่ากันหมดเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําดีน้ํำเสลน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ำอะไรก็คือน้ําน้ําภายนอกอย่างไงน้ําภายในก็อย่างงั้นมันซึมซับมันเอิบอาบทั่วทุกแห่งที่มันทับมันพวกมันดูดมันซึมอยู่ในแอ่งในแอ่งในอ่างที่น้ํามันอยู่ในกายของเราก็เช่นเดียวกันมันซึมซับเข้าไปทั่วเต็มกาย หเห็นศักดิ์ทว่าเป็นไม่ให้คําว่าสมมติบัญญัติที่เป็นน้ําโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกเลยเห็นศักดทว่าเป็นน้ำน้ําก็สักดทว่าเป็นน้ําดูลมก็สักดทว่าเป็นลมเป็นธาตมืดชาติอันหนึ่งของมันลมก็คือลมจิตผู้รู้ว่าเป็นลมก็คกือจิตลมเข้าลมออกก็หมดพิจารณาเข้าไปถ้าไฟต้องเช่นเดียวกันนี่คือการกําหนดพิจารณา แบบนี้เรียกหัดใช้ปัญญาพิจารณาไปโอกาสที่จะเกิดวิปัสนาหรือเกิดวิปาาัสนาญาณมันก็ไปจากการที่เราฝึกเราซ้อมนี่เองมันจะชำนิชำนาญมันจะคล่องแคล่วไปเรื่อยๆก็ทำให้เราอยู่กับการอยู่กับงานไม่ปล่อยจิตล่องลอยไปกับอย่างอื่นมันเป็นการรักษาเวล่าเวลาอ่ามันเป็นการระมัด ร, ระวังกับธุระประฟังกับหน้าที่ข้างในภายใน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 ย่อมมีย่อมเป็นดูมาที่ใจของเราเราจะทราบเราจะทราบได้หามันตีมันตันไปหมดนั่นแหละถ้าเราไม่มาช่องนี้ไม่มาตรงนี้แต่ต้องอาศัยความสัมรวมอาศัยความปรมะมัดระวังอาศัยความปุดสาพยายามอาศัยความขยันหมั่นเพียรอาศัยขันติความอดความทนอย่างยิ่งเพื่อที่จะขยับมาให้ถึงทางตรงนี้ได้เนี่ยให้ทั้ออกตทั้งใจด้วยกันทุกคน